Book two. e i e a s i Tirasi. a d i k a r a n i a h r e Bhootkal. t h e Thorasap. Telephone karna. Telephone karna. ดิฉันโทรศัพท์แล้ว मैंने ่ทรฟโฟอนก िया है ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา मैंने บาร์บาร์โทฟ้นบบทกีถาม ดิฉันถามแล้ว म มं न น प ूูा है मैंने प ूนा ह ูชิาเหฉันได้ถามเสมอแม้เน่บ र ร์บาร์พูช่าเห่แม้เน่บาร์บาูชาเหเล่า स ุ न ा न ाสุนัฉันเล่าแล้ว แม่นี่แมนสุนายเห่ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วแม่นี่ยพูดีคดีสุนัีมนี่ยพูดีคสุนัิทีเรียนสิ่นาสินาดิฉันเรียนแล้ว แม่เนี่ยาเห่มนี่่ดิฉันเรียนตลอดทั้งข้ามเลย म มं न ेีชามบ่ศึกษาเหนี่ยเ้ามกาเ่ทำงานทा म า र न ाดิฉันทำงานแล้ว म มं न น काम กि य ाกैมน่กมกเหดิฉันทำงานทั้งวันเลย म มं न น प ूูร द ดินा म กามाกैมน่พูราดินทำกามกีเหรับประทานทานข้า ดิฉันทานแล้ว म ैं न น खा ल ि य ลียแม่ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว म ैं न น सारा खाना खा लिया मैंने स ม र ाนा न ารा ल ि य าลีย